ข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัญธาตมหาโคปารสูตรเนี่ยนะองค์ของภิกษุผู้เลี้ยงเอ่อคนของเรื่องนั้นนะคนเลี้ยงโคกับพระภิกษุเนี่ยนะที่เปรียบเทียบการเลี้ยงโคกับภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมตรนนี้มาวาระว่าด้วยนายโคบานคนเลี้ยงโคผู้โง่เขลากับพระภิกษุผู้ขาดปัญญาเนี่ยนะ <c oughs> มันอย่างว่าภิกษุที่ไม่รู้จักดื่มเป็นอย่างไรอย่างข้อเจเนี่ยนะภิกษุที่ไม่รู้จักดื่มเป็นอย่างไรบอกว่าภิกษุในาศาสนานี้เมื่อท ร, รมวินัยที่พระตถ า, าคตรประกาศให้รู้แจ้งแล้วอันผู้ใดผู้หนึ่งแสดงอยู่ย่อมไม่ได้ความรู้ธรรมไม่ได้ความรู้อัดไม่ได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมภิกษุไม่รู้จักดื่มอย่างนี้คือหมายก็ว่าไม่ได้ดื่มรสแห่งพระธรรมเลย เมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งอความที่ไม่ฉลาดในท่าน้ำเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าท่าตรงไหนท่าลงเนี่ยเรียบหรือเป็นท่าลงที่ไม่เรียบลงไปแล้วเนี่ยมีสัตว์ ร, ร้ายหรือไม่มีสัตว์ ร, ร้ายเพราะงูบางชนิดเนี่ยนะขบกัดโคแล้วโคก็ถึงความตายหรือว่าในในน้าลึกนั้นก็มีจระเข้ร้ายเป็นต้นเนี่ยนะที่สา ม, มารถกัดกินโคได้หรืออีกในหนึ่งก็ให้ไปดื่มน้ําที่สกปรกเป็นน้ําที่ มีโทษเนี่ยนะดื่มน้ําที่เป็นพิษเป็นภยัยเป็นโรคเน่ยนะเป็นอันตรายต่อโคทั้งหลายก็ได้นั้นภิกษุผู้ไม่านายโคบานคนเลี้ยงโคผู้โง่เขาก็ฉันนั้นเนี่ยนะโคทั้งหลายก็ร่อยรอลงไปทุกวันทุกวันน่ยนะไม่สามารถที่จะรีดน้ํานมโคเป็นต้นได้ก็เสื่อมจากปัญจโครสฉันใดภิกษุผู้โง่เข่าบางรูปก็เหมือนกัน น, นะนะเมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวทำ ก็ไม่เงีย่ยะโสถลงฟังธรรมนะไม่ตั้งใจที่จะฟังธรรมบรรชนเราอื่นประสบอานิสงส์ผลกําไรที่ได้จากการฟังธรรมเช่นรู้อัตรู้ธรรมได้รับความปรามโมทที่เกิดจากอัจจธรรมผู้ที่ไม่ฉลาดเนี่ยตรงกันข้ามไปถึงที่ฟังธรรมก็ไม่มีความเคารพไปนั่งหลับบ้างไปนั่งพูดคุยกันบ้างบางทีก็สงใจคิดเรื่องอื่นไปเรียกว่าไม่ฟังโดยเคารพ เมื่อไม่ฟังโดยเคารพก็ไม่มีความเข้าใจเมื่อไม่มีความเข้าใจอันะก็ติดตามเนื้อหาไม่ได้ติดตามเนื้อหาไม่ได้ไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจปีติปรามโมทที่เกิดจากกุศลธรรมก็ไม่บังเกิดเมื่อปีติปรามโมทที่ควรจะเกิดกจากกุศลธรรมไม่เจริญแล้วจะเป็นอย่างไรแล้วจะเอาเนวทางที่ไหนไปปฏิบัติเพราะว่าพระพุทธศาสนาอย่างไรเสียก็ต้องสุตตะมยะปัญญานี้ชื่อว่าเป็น เบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรมนั่นนะถ้าสูตรตรมยปัญญาไม่มีไม่มีตั้งแต่การเงี้ยโสดลงฟังอย่างที่พระองค์ตรัสเดี๋ยวสูตรต่อไปข้างหน้าเ น, นี่ยนะเรียกว่าจังกีสูตร เ, เนี่ยเขบอกว่าทั้งเงีย้ยโสดขนาดว่าเมื่อเข้าไปหาไม่มีแล้วจะเงี้ยโสดจะนั่งใกล้ได้ยังไงเมื่อนั่งใกล้ไม่มีแล้วจะเงี้ยโสดลงฟังได้ยังไงถ้าไม่เงี้ยโสดลงฟังแล้วไม่จะจําได้ยังไงถ้าจําไม่ได้ และเอาอะไรไปปฏิบัติเนี่ยเอาอะไรไปตรึกเอาอะไรไปโยนิโสเอาอะไรไปมานสัสการและไถ่ค ร, ครวนเพราะฉะนั้นประโยชน์เหล่าใดที่ควรได้รับจากการฟังธรรมกลับไม่ได้ประโยชน์เหล่านั้นเลยเนี่ยนะจะไม่ได้รับอนิสงส์แห่งการฟังธรรมเพราะอะไรเพราะโมัแต่นั่งหลับโนะมัแต่พูดคุยกันโมัวแต่ส่งใจไปเรื่องอื่นเนี่ยนะแล้วก็อีกในหนึ่งก็บอกว่าผู้ที่ไม่เคารพธรรมหมายความว่าดูหมิ่นผู้แสดงบ้างเนี่ยนะ ดูอ่าดูหมิ่นพระธรรมที่กำลังฟังอยู่บ้างแล้วก็ดูหมิ่นตัวเองบ้างเนี่ยนะถ้าหากว่าดูหมิ่นผู้แสดงดูหมิ่นพระธรรมหรือดูหมิ่นตัวเองอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่คู่ควรที่จะเจริญโง่งงามในกุศลธรรมอยู่แล้วเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าภิกษุผู้ไม่รู้จักดื่มเปรียบเหมือนนายโคบานผู้โง่เขลาไม่รู้ว่าสถานที่ตรงไหนควรให้โคดื่มเรียกว่าไม่รู้จักให้โคดื่มเพราะฉะนั้นเขาก็จะเสื่อมจาก ปัญจะโครถฉะนั้นส่วนข้อต่อไปเนี่ยนะข้อ8คือคนเลี้ยงโคผู้โง่เขาก็ที่ไม่รู้จักทางเนี่ยนะไม่รู้จักทางกับภิกษุผู้ไม่รู้จักทางคำว่าไม่รู้จักทางคือภิกษุในศาสนานี้ไม่รู้ชัดอัตถังขี้กมักคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดอันประเสริฐตามความเป็นจริงเนนะเมื่อไม่รู้จกักมรรคอย่างนี้ก็ ไม่ประสบสาระเพราะไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนได้เปรียบเหมือนคนเลี้ยงโคผู้โง่เขลาเมื่อไม่รู้จักทางที่จะต้อนโคไปต้อนโคไปในที่รกเนี่ยนะคือถ้าหากว่าไม่รู้จักทางเนี่ยต้อนโคไปเนี่ยถ้าต้อนโคไปจำนวนมากๆเนี่ยคุมโคไม่อยู่นนะอย่างเช่นไปต้อนโคไป ท, ที่ที่มันมีอาหารที่ยั่วยวนชวนใจโคว่างั้นเถอะ โคมันก็ไปเรื่อยนะจากนี้ไปโน่นจากโน่นไปนี่ต้นซ้ายหายขวาต้นหน้าหายหลัง่นะคือคือคนที่ต้นโคจำนวนเยอะๆเนี่ยเขาจะเข้าใจเลยฉันใดผู้ที่ปฏิบัติธรรมในศ า, ศาสนาของเราก็ลักษณะเดียวกันถ้าไม่รู้จักผลทางไม่รู้จักข้อปฏิบัติไม่เข้าใจชัดว่าอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิ อะไรเป็นมิจฉาทิฐิไม่เข้าใจชัดอะไรเป็นสัมมาสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะอะไรเป็นสัมมาวาจามิจฉาวาจาอะไรเป็นสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตอะไรเป็นสัมมาอาชีวะมิจฉาอาชีวะสัมมาวายมะมิจฉาวายมะสัมมาสติมิจฉาสติไม่รู้แม้กระทั่งว่าอะไรเป็นสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิเมื่อเขาแยกดำแยกขาวไม่เป็นแยกทางผิดทางถูกไม่เป็นเนี่ยนะจะเลือกเดินทางไหน อย่างที่บอกว่าสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิเลือกจะเจริญอะไรโดยมากสัตว์ทั้งหลายก็เลือกเจริญมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วเนี่ยนะมิจฉาสังกับปะกับสัมมาสังกับปะโดยมากสัตว์ทั้งหลายเลือกคิดอะไรโดยมากก็เลือกคิดมิจฉาสังกับปะอยู่แล้วสัมมาวาจาเป็นต้นอ่ะเกี่ยวกับเรื่องวาจาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องหนทางเนี่ยนะหนทางท่านยังบอกว่า ทางไปสู่นรกก็มีทางไปสู่ปิติวิสัยก็มีทางไปสู่เกิดการเกิดเป็นเดรัจฉานก็มีทางมาสู่มนุษย์ทางมาสู่เทวโลกทางไปสู่พรหมโลกทางไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานก็มีมันถ้าหากว่าทางมันมีตั้งหลายสายมากมายขนาดนี้โดยมากจะเลือกเดินทางไหนก็เหมือนอย่างกรุงเทพเนี่ยนะถ้าหากว่าเราเดินทางไม่ถูกเนี่ยไม่รู้โผล่ปลุกนี่โผล่โน้นเนี่ยนะเข้าผิดซอยเข้าผิดเลนก็ ลำบากแล้วเนี่ยนะยูเทิร์นอีกทีนึ่งก็แทบจะหมดวันหมดคืนแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งโยงเขาไปส่งเาจะไปส่งกลับไปเชียงใหม่เมื่อ น, นั้นน่ะนะโอ้รีบไปอย่าเลยเพอดีคุยกันไปคุยกันมาหลงทางกันเนี่ยนะนูนแทนที่จะไปออกได้ขึ้ น, ข, นขึ้นที่ท่ากาศยานนูนกลับไปถึงโน้นน่นจะไปมีนบุรีน่นนะหมายกว่าจะยูเทิร์นกลับบอกว่าเราไปเที่ยวหลังกันแล้วการท่านอย่านั้น มัน ก, ก็เป็นอย่างเงี้ยโอ้โกว่าจะกลับได้เนี่ยดีนะมันมีป้ายภาษาไทายบ้านเราเมืองเราเนี่ยนะแหมทักกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมถ้าเราลองคำผิดเอาสินนะพูดผิดคิดผิดเป็นต้นเนี่ยนะถ้าคิดในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลถ้าเป็นมิจฉาวาจามิจฉากรรมมันต่เป็นต้นแล้วเนี่ยจะไปอย่างไรต่อไปมันจะต้องหมั่นสํารวจตรวจตราว่าเอความเห็นของเราเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิเชื่อเถอะใครส่องกระจกคนนั้นงามที่สุดเนี่ยนะ ถ่ายรูปมานะรูปเราเด่นที่สุดเชื่อยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นวันยังค่ํานั่นแหละจะขี้เรศขนาดไหนก็ช่างอาจจะพู ด, พ, ดพูดไปงั้นแหละแต่ว่าเวลาถ่ายรูปนะสมมติถ่ายภาพหมู่ดูหน้าใครก่อนดูหน้าตัวเองก่อนเนี่ยแล้วเนี่ยนะก็อะไรถ้าเราทําแล้วมันดีหมดอ่ะนะถ้าบ้านเราเนี่ยเราจะเห็นก่อนในบางเง่อนสักอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเราเราเนี่ยชันใดถ้าเราเนี่ยมันต้องถูกหมดอ่ะนะโดยมากสัตว์ทั้งหลายเข้าข้างตัวเองอย่างนั้นแล้วความเห็นของเราเนี่ยเราก็จะบอกว่ามันถูก ถูกยังไงล่ะไม่รู้ถ้าอย่างนี้ก็ลําบากแล้วล่ะถ้าเราปฏิบัติอยู่นี่มันเป็นสมัมมามัชฌมันเป็นอริยมัชฌ์มันเป็นยังไงแล้วสัมมาทิฏฐิรู้อะไรดูอ ร, ริยศาสตร์ไหมสัมมาสังกัปปะกุศลสังกัปปะอยู่ไหมวาจาล่ะสัมมาวาจาไหมเว้นจากวาจีทุจริตดํารงอยู่ในวจีสุจริตอยู่หรือทางกายก็เหมือนการความภาคเพียรุตสาหะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นต้นก็ในยะเดียวกันเนี่ยนะวันเรายังดําเนินปฏิบัติตามปฏิปทา ตามข้อปฏิบัติที่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่หรือเพราะถ้าไม่รู้จักทางเนี่ยนะไม่รู้ว่าอะไรเป็นทางที่ไปโลกิยะอะไรเป็นทางแห่งโลกุตระเนี่ยนะคําว่าโลกิยะหมายถึงว่าพบสามอะไรเป็นทางแห่งกรมมาพอะไรเป็นทางแห่งรูปประพบอะไรเป็นทางแห่งอรูปประพบอะไรเป็นทางแห่งพระนิพพานซึ่งพ้นจากพบทั้งปวงเนี่ยนะซึ่งถ้าไม่เข้าใจในเรื่องทาง ไม่เข้าใจทางอันประกอบไปด้วยองค์8เชื่อเถอะร้อยทั้งร้อยเดินทางผิดเพราะคนที่สามารถเดินทางถูกโดยที่ไม่ต้องมีคนอื่นบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนก็คือพระพุทธเจ้ากับพระปเจกับ พ, พุทธเจ้าซึ่งท่านเหล่านั้นสองอสงไขยแสนกับท่านเหล่านั้นสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยนะสร้างบารมีชนิดอย่างอุกฤษสั่งสมข้อปฏิบัติจากพระพุทธเจ้าผ่านสำนักพุทธเจ้ามาไม่รู้กี่องค์ต่อกี่องเนี่ยนะ แล้วก็ตั้งอัตตะสัมมาปณิที่ตั้งจิตเพื่อบรรลุมรคผลนิพพานเนี่ยนะท่านเหล่านั้นตั้งจิตไว้อย่างแรงกล้ามากท่านจึงสามารถดำเนินโดยไม่หลงทางพอพอแวะนอกทางนิดหน่อยท่านรู้แล้วนี่ไม่ใช่ทางานะเพราะอะไรเพราะพวกนี้เหมือนกับว่ามีรหัสเตือนใจอยู่ตลอดเวลานี้ไม่ใช่นี้ไม่ใช่ อันนี้ใช่นี้ใช่นี้ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะพูดแบบชาวบ้านกลางสังหรณ์แม่นยํามากาะั้นแต่นี้ไม่ใช่แต่ท่านมีปัญญานะไม่ใช่ลางแน่นอนเนี่ยนะแต่ว่าเป็นปัญญาจริงๆที่แยกแยะเนี่ยนะคร่ครวนคํานวณดูแล้วนี้ไม่ใช่นี้ใช่นี้สัมมารมรรคนี้มิจฉามรรคนี้ต้องละนี้ต้องเจริญนี้ต้องทําให้แจ้งท่านจําแนกแยกแยะเป็นท่านจึงเลือกเฟ้นเอาได้ปัญญาขึ้นมาว่าเออปัญญาเนี่ยมันทางตรงนะ แล้วปัญญาอย่างเดียวถ้าไม่มีสัมมาสังกปะปัญญามันทำงานไม่ได้หรอกเนี่ยนะก็ต้องสัมมาสังกปะนั้นอนะ่ะจะต้องเป็นสหายชี้นำปัญญาเนี่ยนะแล้วสัมมากรรมตระเนี่ยนะแล้วพอไหมไม่พอสัมมาวาจาสัมมากรรมตระสัมมาอาชีวะซึ่งเป็นศีลรองรับคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้อีก แล้วก็ยังมีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิเป็นเหมือนตะละกํำลังเป็นเหมือนฐานที่มั่นคงต่อการพิจารณาการปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดอริยาศาสตร์ทั้งหลายเพราะถ้าไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจเนี่ยรับรองเลยเดินทางผิดแน่นอนภิกษุผู้ไม่ฉลาดไม่รู้จักทางก็เหมือนกับนายโคบานต้อนโคไปในที่ที่ไม่ใช่ทางต้อนโคไปไหน ก็พูดง่ายๆว่าต้อนโคไปเสียหายว่างั้นเถอะต้อนโคไปสร้างความเสียหายในไหนก็หมดฟร์มหมดคอกแน่วางั้นน่นะนี้ในข้อต่อไปนายโคบานผู้ไม่ฉลาดในโครจรเนี่ยนะนายโคบานผู้ไม่ฉลาดในที่ที่ทาเลหากินของโคเนี่ยนะกับพระพิสุผู้ไม่รู้จักโครจรคือพิสุในาศาสนานี้ไม่รู้ชัด สติปัฏฐานการตั้งสติไว้ในสติปัฏฐานทั้ง4ี่ประการเมื่อไม่รู้ชัดไม่รู้วิธีการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ี่ประการตามความเป็นจริงกลายเป็นฟิกสูผู้ไม่ฉลาดในโครจร อ, อย่างนี้เปรียบเหมือนอย่างว่านายโคบานผู้งโง่เขลาต้นโคไปเลี้ยงหรือเลี้ยงฝูงโคเนี่ยนะฝูงโคแบบโบราณเนี่ยพื้นที่มันไม่ค่อยมีใครจับจองไว้พื้นที่ทุ่งกว้างมันก็ใหญ่ทุ่งทุ่งหญ้าทุ่งอะไรเป็นต้นมันก็เยอะเนี่ยนะ นายโคบานพวกโงเ่เขาทั้งหลายเวลาต้นโคเนี่ยนะให้คนอื่นเขาต้อนไปเลี้ยงก่อนนะคนอื่นเขาเลี้ยงก่อนวันหนึ่งตัวเองก็ต้อนไปตามวันหนึ่งมันก็จะไปกินอะไรก็ไปกินซากต้นไม้ตามตามโคฟูงอื่นๆเขาอันนี้หนึ่งอย่างที่สองอโคทั้งหลายเขาก็เปลี่ยนวาระวันที่หนึ่งควรไปเลี้ยงตรงนี้วันที่สองควรไปเลี้ยงตรงนั้นแล้วก็เวะเวียนกันโดยรอบ เพราะประมาณสักสี่ห้าวันถึงเจ็วันเนี่ยนะหญ้าทั้งหลายก็จะงอกเพราะฉะนั้นจะมาอีกครั้งณนะสถานที่ตรงนั้นก็ต้องสามวันเจ็ดวันไปแล้วจึงค่อยเวียนกลับมาอีกครั้งแต่นายโคบานผู้งโง่เขลาเนี่ยนะตอนไปเลี้ยงวันที่หนึ่งไอตรงนั้นแหละ ว, วันที่สองไอตรงนั้นแหละ ว, วันที่สามไอตรงนั้นแหละนึกถึงสมัยก่อนเวลาเขาให้เราเขาพ่อแม่เป็นต้นเนี่ยนะเขาให้แบบเออไปเลี้ยงควายหน่อยสิไปเลี้ยงวัวหน่อยสิเราก็เอาไปไอความขี้เกียจนี่ทําไงรู้ไหม วันไหนก็ไปมัดอยู่ที่เดียวมานะคือถ้าถ้าหาว่าโคไม่เป็นฝูงเนี่ยนะควายไม่เป็นฝูงเนะี่ยก็ไปถึงก็มันก็ต้อนดึงไปนะดึงจมูกควายไปเนะี่ยดึงไปไปถึงก็ไปมัดไอ้ตรงนั้นแหละมัดเสร็จก็กลับบ้านนะเรียบร้อยแบบนั้นนะะเขาก็ไปเห็นนะมัดตรงนี้เอาวันหลังไปก็ไปที่เดิมอีกนั่นแหละที่เดิมแล้วยา่ามเอ เอาควัวควายมันจะไปกินอะไรเพราะอย่างน้อยที่สุดร่องรอยที่มันเหยียบลงไปนี่มันฝังดินลงไปเหยียบทุกครั้งมันจะฝังดินลงไปหญ้าทั้งหลายมันก็ตายห้หมดตั้งนานแล้วแล้วต้อนโคไปเป็นฝูงเป็นฝูงเนี่ยถ้าไปต้นไปอยู่ที่ซ้ําๆๆๆเนี่ยหญ้าเนี่ยมันไม่เหลือแล้วกินดินไปกับวัวเอ้ยเนี่ยนะทีนี้วันหลังก็ทําแต่ลักษณะนี้เนี่ยนะกว่าหญ้าจะงอกขึ้นได้มันก็ยากแต่คนเลี้ยงวัวผู้ฉลาดเปลี่ยนวาระเนี่ยนะอ่าแห่งเรียกว่า เว้นไว้สี่ห้าวันเป็นต้นแล้วค่อยย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งนะนะอีกทีหนึ่ ง, นะนะงพวกมูลโคเป็นต้นก็จะกลายเป็นปุ๋ยหญ้าทั้งหลายก็จะเคี้ยวชุ่มสดเนี่ยนะนะโคทั้งหลายก็จะได้กินอย่างที่ตัวเองปรารถนาฉันใดคนเลี้ยงโคผู้ฉลาดทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเปรียบเหมือนกับพระพิสุกก็เหมือนกันเนี่ยนะนะโครจรไปในที่มิใช่าทางมิใช่โครจรตามคําสอนของ พระพุทธเจ้าที่ที่ไม่ใช่โคโจรไม่เป็นตามคําสอนของพระพุทธเจ้าคืออะไรคือการไม่ฉลาดในสติปัญาี่เนี่ยนะไม่ดําเนินตามทางสติปัญสี่ก็คือเดินตามทางวิปลาสสี่นั่นเองสิ่งที่ไม่ใช่โคโจรไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือวิปลาสทั้งสี่ประการวิปลาสสี่ประการมีอะไรบ้างหนึง่งโสภาวิปลาสมณสิการแต่โดยวิปลาส สำคัญมั่นหมายว่างามงามงามคือยังไงมันก็จริงๆเอาเข้าจริงมันก็ไม่งามบอกผมก็งามไม่ใช่ก็ตัดผมเป็นที่ระลึกดูเธอะเนี่ยนะบอกว่าฟันก็งามเอาถอนฟันไว้ไปดูต่างหน้าเอาไหมก็ไม่เอาอีกนั่นแหละเป็นต้นคือทุกอย่างเนี่ยนะแม้กระทั่งว่าอะไรก็ช่างที่สําคัญว่างามและจริงๆมันเป็นอย่างนั้นไหมล่ะมันก็ไม่เป็นเมื่อไม่เป็นเ อ, อ้วทำไมไม่คิดความจริงล่ะทําไมก็ต้องไปนั่งหลอกลวงตัวเองไปเรื่อยเนี่ยนะ จำเป็นแค่ไหนอย่างไรจริงต้องหลอกลวงตัวเองนะ่ยนะแล้วหลอกลวงตัวเองแล้วมันประสบความสําเร็จขึ้นไม่ล่ามันก็ไม่ประสบความสําเร็จมันก็ควรมานัิการใส่ใจตามความเป็นจริงว่าความจริงของเขาคืออะไรก็คืออสุภะเนี่ยนะนะแล้วรูปที่เป็นอสุภะมันจะเป็นที่ตั้งแห่งสุขได้อย่างไรมันจะมีความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรก็ใส่ใจเวทนาว่าเป็นทุกข์ ในะส่ใจเวทนาว่าเป็นทุกข์แล้วจิตทั้งหลายที่เกิดรั่วที่มีรูปที่ไม่ไม่งามรูปที่เป็นอสุภะเป็นวัตถุเป็นอารมณ์เกิดร่วมกับเวทนาที่เป็นทุกข์แล้วจิตเหล่านั้นจะยั่งยืนได้อย่างไรจิตทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงไม่มั่นคงเนี่ยนะ